Thank you. ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะเราได้สวดมนต์ทำบัดเช้าสังเกตบ้างไหมหรือว่าใจของเรานี่มันอยู่ที่ไหนทําอะไรรับรู้อยู่อาการสวดมนต์หรือว่าใจเราลอยไปที่อื่นนะหันไปนึกถึงคนที่บ้านหรือว่านึกถึงงานการ ขณะที่เรา เ, าเปล่งว่าจะสาธยายนะธรรมะหรือว่าบทสวดเรารับรู้ความหมายนะของบทสวดอย่างต่อเนื่องไหมถ้าว่าใจเราลอ ย, ลยนะมันก็เรียกว่าสักแต่ว่าสวดแต่ว่าไม่รู้ความหมาย ปาก็พูดไปนะแต่ว่าจจไม่ได้รับรู้ถึงความหมายนะของบทสวดอย่างต่อเนื่องนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าสวดมนต์แบบนกแก้วน ะ, ะถ้าจะสวดมนต์เนี่ยนะก็ให้สวดแบบแบบอะไรดีนะแบบมแมลงปอแล้วกันนะ มแมลงปอเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นติดอันดับหนึ่งเลยนะในเรื่องของความจดจอ่อแมลงปอเนี่ยเขาว่าเนี่ยมันสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับเหยื่อซึ่งเป็นมแมลงตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ยอมให้คลาดสายตาถ้เาเหยื่อร้อยตัวเนี่ยนะมันสามารถจะจับได้นะ ถึง97ตัวนะอัตราความแม่นยำนี่้9เกือบร้อยนะสูงกว่าสัตว์ชนิดใดในโลกนี้นะที่เขาว่าเป็นนักล่าเช่นสิงโตก็ดีหรือว่าฉลามก็ดีให้ความแม่นยำหรือว่าความจดจอ่อสู้มแมลงปอไม่ได้คือมแมลงปอนี่ถ้าจดจ่ออยู่กับ เหยื่อตัวไหนนีนะ่ก็จะตามติดนะแล้วก็แทบจะไม่พลาดเลยอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นคนก็เรามีสมาธิมากซึ่งก็ต้องอาศัยสติด้วยน ะ, ะสติมันทําให้ใจไม่บกแวกนะสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยใจแบบอกแวกนะหรือว่าถึงแม้ไม่อกแวกแต่ว่าไม่รวดเร็วนะปล่อยให้เหยื่อหลุดไป แต่มแมลงปอนี่จดจอได้อย่างต่อเนื่องไม่วอกแวกแล้วก็ ร, รวดเร็วด้วยอาการสวนมนต์นี่เราไม่ได้มุ่งหมายจะไปให้จิตใจเราไปล่าเหยื่อที่ไหนนะแต่ว่าใจเราก็ต้องไวพอไวในที่นี้คือมีสติไวบางทีมันแว บ, บไปแล้วเนะี่ยใจแว บ, บไปแล้วสติก็รู้ทันว่องไวแล้วก็ไปเรียกกลับมา นะเมื่อใจเรามาอยู่บทสวดมนต์อย่างต่อเ น, นื่องไม่วอกแวกหรือวอกแวกแต่น้อยก็รู้ความหมายจิตใจก็จะเลยงอกงามเพราะว่าทําด้วยสติคือสวดมนต์ด้วยสติมีสมาธิการสวดมนต์เนี่ยนะเรามีความเชื่อว่านะเป็นสิ่งที่ดีหลายคนก็คิดว่าเนี่ย มันเป็นสิ่งจําเป็นด้วยซ้ำ เ, เคยมีคนมาถามแล้วก็หลายคนเลยถามว่าสวดมนต์ที่จําเป็นไหมที่ว่าจําเป็นองค์หมายว่าจำเป็นสําหรับชาวพุทธหรือว่าการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าธรรมาก็ตอบไม่จําเป็นแต่ว่ามีประโยชน์นะจาเป็นนี่หมายาขาดไม่ได้ไอ้ที่ขาดไม่ได้คือการรักษาศีลนะ การให้ทานนี่ขาดไม่ได้จําเป็นเลยแหละนะชาวพุทธเนี่ยการให้ทานกับรักษาศีลนะเพราะถ้าหากว่าบกพร่องแล้วนี่มันก็เรียกาชาวพุทธไม่ได้ไม่มีเวลาสวดมนต์นี่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็ให้รักษาศีลเอาไว้ไม่ให้บกพร่องแต่ถ้ามีเวลาสวดมนต์นะเราก็ทําเป็นนิดก็มีประโยชน์แต่ประโยชน์นั่นก็ขึ้นอยู่กับการวางใจด้วยนะ จะไปคิดว่าเพียงแค่สวดมนต์แล้วนี่มันจะได้ประโยชน์มันก็ดีตรงที่ว่าตอนที่สวดมนต์เนี่ยนะโอกาสที่เราจะทำชั่วเนี่ยมันไม่มีนะช่วงที่เราสวดมนต์เนี่ยไอการที่จะไปผิดศีลข้อที่หนึ่งนะไปฆ่าคนไปฆ่าสัตว์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้จะไปลักขโมยจะไปพูดผิดในกามนะหรือว่าจะไปพูดเท็จเนี่ย มันก็เกิดขึ้นไม่ได้รวมทั้งผิดศีลก็ที่ห้านะสุรายาเมานี่ก็ทำไม่ได้ประโยชน์มันนะอย่าง น, น้อยก็คือทำให้เราเนี่ยรักษาศีลห้าได้ครบถ้วนนะไม่ไปเบียดเบียนใครแต่ถ้าว่าใจเราเนี่ยไม่อยู่การสวดมนต์นะไคิดว่าอ น, นิสงส์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มันก็จะน้อยลงอย่าไปคิดว่าเพียงแค่สวมดมนต์แล้วมันจะทำให้เกิดนะสิริมงคลปกป้องเราให้มีโชคมีลาบนะปราศจากความทุกข์ไกลาจากอันตรายบานะงคนเชื่อแบบนั้นเคยแบบนั้นนะสวนมดมนต์ทุกเช้าเพื่อได้มีนะมีโชคนะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยปกป้องให้ปลอดภัย ้ความเข้าใจแบบนั้นเนี่ยังไม่ถูกต้องนะเพราะการสวดมนต์เนี่ยผู้เจ้าไม่ได้มุ่งหมายนะให้เข้าใจอย่างนั้นนะแต่เพื่อเป็นการทบทว น, นธรรมะเป็นการย้ำเตือนให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระพุพะทธธรรมประสงค์เราจะเข้าใจ ตอเมื่อเราเข้าใจในบทสวดเนี่ยมันจึงจะเกิดศรัทธาแต่ก่อนนี่สวดเป็นภาษาบาลีนะไม่มีการแปลเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายมันก็เลยมีความหมายไปในทางศักดิ์สิทธิ์ไปแต่นั้นไม่ใช่เป็นจุดหมายสําคัญของการสวดมนต์นะจุดหมายสำคัญคือการที่จะน้อมใจเราให้เกิดศรัทธารวมทั้งเกิดสมาธิแล้วก็เป็นการฝึกสติ อันทะีมีสติใจเนี่ยรับรู้อยู่กับการสวดโดยเฉพาะสวดภาษาไทยเราก็จะรู้ความหมายเมื่อรู้ความหมายเนี่ยแล้วรู้จักไค้ครวนก็เกิดปัญญานะสติสมาธิปัญญาแล้วก็ศรัทธาเนี่ยนะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและงอกงามนะจากการสวดมนต์ซึ่งก็หมายคขาว่าใจก็ต้อง ในทางนั้นด้วยไม่ใช่ว่าปากก็ว่าไปในต่ใจไม่รู้อยู่ไหนบางทีใจก็อยู่ในความทุกข์เพราะกำลังห่วงลูกบางทีใจก็กำลังมีความเร่าร้อนมีความรุ่มร้อนเพราะว่านึกถึงใครบางคนที่เกลียดชังนึกถึงการกระทําบางอย่างที่ทำให้ขุนมัวโกรธเคืองปากเนี่ยเอยสิ่งที่เป็นพุทธวจนะ นะซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ใจนี่บางทีตกนรกนะหรือว่าใจไม่ตกนรกแต่ก็เป็นอกุศลนะเพราะว่าใจมันเพ่นพ่านไป น, นึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณนะ์ที่เป็นอกุศลนะเช่นความโกรธความรู้แม้แต่ความวิตกกังวลไอ้พวกนี้มันก็ทำให้จิตใจหมองหมัวสวดมน นะเอ่ยถ้อยคำที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะแล้วเนี่ยใจก็ต้องผ่องใสนะบริสุทธิ์สะอาดนะซึ่งจะทำเช่นนั้นได้เพราะใจเนี่ยเราไม่ได้วอกลบกไปไหนนะแต่ว่าอยู่นะอยู่กับการสวดอันนี้ละคือปุณนะอันนี้แหละคืออันที่สองที่สำคัญนะไม่ใช่ ว่าจะเกิดนะสิริมงคลที่จะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยให้สิริมงคลถ้าจะมีนะก็เกิดจากการที่ใจเราเป็นกุศลนะมีสติมีสมาธิมีศรัทธามีปัญญาเกิดขึ้นระหว่างการสวดนั่นแหละสิ่งเหล่านี้นเป็นมงคลที่จะปกป้องเราให้ปลอดภัยแล้วก็ได้ประสบความสุข หรือแม้แต่มีโชคมีลาภพอถ้ามีศรัทธามีสติมีสมาธิมีปัญญ า, าทำอะไรมันก็มีแต่ความเจริญนะงานก็สําเร็จใจก็เป็นสุขสรุปก็คือว่าเนี่ยนะการสวดมนต์เนี่ยนะมันไม่ไม่ได้อยู่ที่การเอ่ยนะหรือการสาธยายด้วยปากนะแต่ว่าที่สำคัญคือใจถึงแม้ว่าปากเนี่ยนะอยู่นิ่ง ไม่ได้สาธยายบทสวดใดๆเลยนะแต่ว่าใจเนี่ยนะเป็นกุศลใจเปี่ยมด้วยเมตตามีความรู้สึกตัวโปร่งโล่งอันนี้ก็ยังดีกว่านะดีกว่าสวดไปเปล่าๆแต่ว่าใจขุ่นมัวใจวิตกเพราะว่ามันวอกแวกไปนะถึงคนที่บ้านนะหรือว่านึกถึงงานการ อยู่นิ่งๆนงนะัแต่ว่าใจเป็นกุศลเพราะว่ามีสติยอยู่กับปัจจุบันเต็มไปด้วยความสึกตัวทั่วพร้อมการพู้ง่านควรใจในสัางัญที่สุดนะทำอะไรเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจแม้แต่เรายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นการภาวนาแต่อย่าให้มันเป็นเพียงแค่รูปแบบใหญ่ให้มันเป็นเพียงแค่กิริยาอาการของกายสิ่งสาคัญอยู่ที่ใจ แม่ไม่ยกมือแม่ไม่สร้างจังหวะแม่ไม่ได้หลับตานั่งสมาธิแต่ว่าอยู่ในท่านอนก็อาจจะเป็นการปฏิบัติได้นะถ้าออว่าใจนี้มีสติรู้ทันอารมณ์ที่คุนมัวขจัดปัดเป่ากิเลสหรืออกุศลออกไปจากใจอยู่ในท่านอนนี่แหละบางทีดูเหมือนนอนเอกเนกนะแต่ว่าใจเป็นกุศลก็ได้อย่างนี้ก็เลยเป็นการปฏิบัติธรรม นั่นจะว่าไปแล้วเนี่ยนะความสุขความทุกงคนเราเนี่ยก็อยู่ที่ใจน่ยมันไม่อยู่ที่ว่าเราทําอะไรนะการวางใจหรือการทําใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจําเป็นสำหรับทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าการทํางานบางอย่างไม่ใช่การทํางานนะมันเป็นแค่กิจวัตรประจาําวันเช่นล้างหน้าถูฟันอาบน้ํา กินข้าวอันนี้ไม่ใช่การภาวนาในรูปแบบอันนี้ไม่ใช่การทํางานด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าเรานะวางใจดีวางใจให้ดีก็คือใจอยู่กับสิ่งที่ทําตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะอันนั้นก็เรเป็นการปฏิบัติธรรมได้ล้างหน้าถูฟันนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาได้ทั้งนั่งที่ อยู่ในห้องน้ำไม่ได้อยู่ที่ศาลาไม่ได้นั่งบนอาสนะแต่ทั้งทั้งที่กิริยาอาการมันก็แสนจะสามัญแต่มันเป็นภาวนาได้เพราะะไเพราะใจใจวางใจถูกวางใจเป็นสิ่งที่ทำมันก็กลายเป็นสิ่งประเสริฐได้อันนี้ก็ เอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยเช่นกันนะเช่นเวลาทำงานนะทำงานเนี่ยบางทีทำงานอย่างเดียวกันคนสองคนทำงานอย่างเดียวกันแต่วางใจต่างกันมันก็ให้ผลที่ไม่เหมือนกันนะบางคนทำแล้วสุขแต่บางคนทำแล้วทุกเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าทำอะไรเท่านั้นนะมันอยู่ที่ว่าทำอย่างไรด้วย นะทำอย่างเดียวกันหรือทำคล้ายๆกันแต่วางใจต่างกันมันก็ให้ผลต่างกันนะผลที่ว่านี้ไม่ใช่ผลงานอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงคุณภาพของใจเลยมีผูชายคนนึ่งนะชื่อสงวนนะเป็นช่างจูนเปียนโนหมายถึงช่างปรับเสียงของเปียนโนนะเพราะว่าเปียนโนเล่นไปนานๆเนี่ยเสียงมันเพี้ยนก็ต้องปรับนะปรับเสียงให้ใหเป็นปกติ เขาเรียกว่าจูนนะจูนเสียงนะสงวนนี่ก็เป็นช่างจูนเปียโนวันหนึ่งเขาก็เล่าให้เพื่อนฟังนะว่าเนี้ยเมื่อเมื่อวันก่อนนี่เองเนี่ยนะไปจูนเปียโนนะได้รับจ้างให้ไปจูนเปียโนในโรงพยาบาลจิตเวทแห่งหนึ่งนะโรงพยาบาลจิตเวทนี่ก็มีห้องพักผ่อนนะของผู้ป่วย ก็มีเครื่องเปนโนแต่ว่าเสียงมันเพีย้ยนนะนะสงวนก็ถูกจ้างไปให้ไปปรับเสียงพอรู้ว่าไปโรงพยาบาลจิ ต, ตเวชเนี่ยนะเขาก็ทำใจแล้วเขาบอกเพื่อนมาเนี่ยการไปจูนเปนโนครั้งนั้นเนี่ยมันเขาเหนื่อยมากเลยนะแต่เขาก็ทำใจไว้แล้วก่อนไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนะไม่ค่อยหงุนงิดเท่าไหร่ไม่ค่อยทุกข์ใจเท่าไหร่เขาเลาว่าเวลาเขาไปจูนเปียโนเนี่ยนะจู่ๆก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยไปเปิดโทรทัศน์เสียงดังเลยไอ้เสียงเนี่ยมันทําให้เขาจูนเปียโนไม่ได้นะเขาก็ต้องเดินไปปิดโทรทัศน์ปิดโทรทัศน์กลับมาที่เปียโน ล, ลุงคนนั้นเนี่ยนะแกก็จะไปเปิดโทรทัศน์ใหม่ สงวนก็ต้องเดินไปปิดโทรทัศน์ปิดโทรทัศน์ใส่คุณลุงวนนั้นเนี่ยแกก็อยู่นิ่งๆนะสักพักแกก็เดินไปเปิดโทรทัศน์ใหม่สงวนจูนเป็นโนไม่แล้วก็ต้องเดินไปปิดโทรทัศน์แล้วก็กลับมาจูนเป็นโน่ถ้าเงี้ยเป็น10เป็นสินสครั้งเลยนะสิบสิบครั้งกว่าจะจูนเปลี่ยนโนได้สําเร็จนะท่าบอเป็นการจูนเป็นโน่ที่เหนื่อยมากเลยนะ แต่ว่ายัางดีที่ทำใจไว้ละนะก็เลยนะไม่ไม่หงุดหงิดเท่าไหร่ในเวลาเดียวกันเนี่ยที่สงวนกำลังนะเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยอีกมุมหนึ่งของเมืองนะบุญชัยนี่เป็นช่างซ่อมโท ร, โ ท, รทัศนะ์นะก็เล่าว่าเนี่ยบ่นให้ลูกสาวฟังว่าเนี่ยวันก่อนี้ได้ไปซ่อมโทรทัศน์ที่โรงพยาบาลจิตเวช เปิดโทรทัศน์อยู่ดีๆก็มีคนป่วยคนหนึ่งเนี่ยมาปิดโทรทัศน์นะต้องเอาแต่เอาแต่กดเอาแต่กดปเกดปลีนโนซ้ำๆอยู่นั่นแหละกดกดกดอยู่ตรงคีย์เดิมนี่แหละนะพอบุญชัยเปิดโทรทัศน์ใหม่ไอ้คนป่วยคนนี้ก็เดินมาปิดโทรทัศน์อีกแล้วก็กลับไปกดเป็ีนโหนซ่ซ้ๆ เ้าก็ต้องเปิดโทรทัศน์ใหม่เปิดโทรทัศน์สักพักให้คนเปิดวันนี้ก็มาปิดอีกแล้วเหนื่อยมากเลยเนาะงงหงิดนะหัวเสียไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะบ่นไปบ่นให้ลูกสาวฟังด้วยความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็เขาสึหงดหงิดนะฟังทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พอเข้าใจหมสงวนเนี่ยกับบุญชัยนี่นะ ต่างคนต่างก็ ate, นึกว่าอีฝายนึ่งเป็นคนป่วยเป็นโรคคนป่วยโรคจิตนะสงวนเนี่ยก็คิดว่าบุญชัยซึ่งมาคอยปิดโทรทัศน์เนี่ยเป็นคนป่วยนะส่วนบุญชัยเนี่ยซึ่งเป็นช่างซ่อมโทรทัศน์ก็คิดว่าสงวนเนี่ยซึ่งเป็นคนซ่อมเป็นโนเนี่ยเป็นคนป่วยเพราะชอบมาปิดโทรทัศน์ของเขานะแต่ประเด็นมันไม่อยู่ตรง น, นั้นนะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเนี่ย สงวนเนี่ยนะเขาเหนื่อยก็จริงนะแต่เขาไม่หงุดหงิดส่วนบุญชัยเนี่ยเหนื่อยแล้วก็งุดหงิดด้วยสองคนเจอเหตุการณ์เหมือนกันนะจะเรียกว่าถูกกระทำเหมือนกันก็ได้นะสงวนก็ถูกบุญชัยเนี่ยนะเคอยเปิดโทรศัพท์อยู่นั่นแหละเออคอยเปิดโทรศัศน์รบกวนนั่นแหละนะส่วนบุญชัยก็ โดนสงวนเนี่ยคอยปิดโทรทัศน์แล้วก็กดนะคีย์กดเป็นโนอยอยู่ซ้ำซ้ำอย่างนั้นแหละแต่คนหนึ่งเนี่ยนะเฉยเฉยไม่หดหงิดนะอีกคนหนึ่งหดหงิดเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะใจเของสองคนนี้ไม่เหมือนกันอสงวนเนี่ยเขารู้จักทําใจเขาเตรียมไว้แล้วเนี่ยว่าไปโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยก็คงจะเจอคน คนป่วยนะนะคนวิกลจริตคนมีปัญหาทางด้านจิตเวทเนี่ยเพราะนั้นเน่ยเวลาจะมีคนคนนึงเนี่ยนะมาปิดมาเปิดโทรทัศนะ์รบกวนการจูนของเขาเขาเตรียมใจไว้แล้วเขาก็เลยไม่ทุกข์อะไรแต่เขาก็ทำหน้าที่คือต้องไปปิดโทรทัศน์ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจูนเสียงเป็นโนมไม่ได้ส่วนบุญชัยเนี่ยนะไม่ได้เตรียมใจไว้ เาะฉะนั้นเวลาซ่อมโทรทัศน์แล้วมีคนมาปิดเนี่ยหงุดหงิดมากเลยจะด่าก็ด่าไม่ได้เพราะว่ารู้ว่าเป็นคนบ้าหรือเชื่อเป็นคนบ้านแต่ก็ต้องอก็ต้องทนทู่ซี้ไปเปิดโทรทัศน์ไม่รู้กี่ครั้งเป็นสิบสิบครั้งกันนะกว่าจะซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกายได้เหนื่อยใจส่วนจงวนวนี่เหนื่อยแต่กายนะ ใจไม่เหนือ่อยเพราะเตรียมใจหรือทําใจไว้นี่เขาว่าทําใจเนี่ยนะที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะมันคือการทําที่ใจเนี่ยความหมายเนื้อคือว่าการที่เตรียมใจไว้แล้วแล้วก็ยอมรับนะสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นก็ยอมรับได้อันนี้เป็นสิ่งที่สงวนได้ทําแต่บุญชัยเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมใจไว้ พอมีคนมาปิดโทรทัศน์เขาแม้เขาจะคิดว่าเป็นคนป่วยนะแต่เขาก็รู้สึกงุดหิตเพราะเขายอมรับไม่ได้การทำใจยอมรับเนี่ยนะอันนี้มันมีส่วนช่วยมากทีเดียวนะที่ทำให้เราเนี่ยนะไม่ว่าเจออะไรมากระทบเนี่ยแต่ว่าใจก็เป็นปกติได้การที่เราทุกเนี่ย งุดหงิดนะเวลาได้ยินเสียงดังหรือว่าหงุดหงิดนะเวลารถติดหรือหงุดหงิดนะหัวเสียเวลาถูกวิภาควิจารณ์เนี่ยเราไม่จะคิดว่าที่เราเป็นทุกข์ใจเนี่ยก็เพราะว่าเสียงดังเพราะว่ารถติดเพราะว่าเสียงต่อว่าด่าทอที่จริงไม่ใช่นะมันเป็นเพราะเราไม่ยอมรับ เป็นพาอใจเราต่อต้านผักใสมันไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกมากระทบแต่เป็นพาะใจเราเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกนะทันทีที่ใจเราเนี่ยไปต่อต้านผักใสคือไม่ยอมรับเนี่ยสิ่งที่มากระทบรือสึงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทุกทันทีเลยเป็นความทุกข์ที่ใจแต่ถ้าใจเรายอมรับได้ อาจจะยอมได้เพราะว่าเตรียมไว้แล้วเผื่อใจไว้แล้วหรือเขี่ยมเป็นธรรมดาเสียงดังก็ธรรมดารถติดมันก็เป็นอย่างนั้นเองนะธรรมดากรุงเทพเสียงต่อว่าด่าทอก็ธรรมดาเพราะว่าจะให้คนเนี่ยนะมันจะชื่นชมสารเสริร์ละเมิดก็คงไม่ได้ยิ่งคนที่เขาต่อว่าด่าทอเขามีนิสัยแบบนั้นอยู่แล้วคือชอบมองอะไรลบ เป็นธรรมดาของเขานะที่ไม่ได้ทำกับเราคนเดียวก็ทำกับคนอื่นด้วยนะพอคิดแบบนี้เข้าหนะใจมันก็ยอมรับได้เลยพอยอมรับได้เป็นงานสงบแล้ความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรนะมากระทบกับเราหรือเกิดขึ้นกับเรานะแต่อยู่ที่ว่าใจเรายอมรับหรือใจเราผักใสหรือผู้ใหญกว้างนะันคือใจเนี่ยนะวางไว้ถูกวางใจถูกวางใจเป็นห บางทีอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยอมรับเพราะว่ามันเป็นธรรมดาแต่ยอมรับพะเห็นว่าเออมันมีประโยชน์น ะ, อะยอมได้ไม่ผักใสมันอย่างคนป่วยที่เป็นมะเร็งหลายคนเนี่ยนะเขาก็พอเห็นประโยชน์ของมะเร็งนะใจเขาก็ไม่บนไม่โอดโวรไม่ต่อต้านไม่ผักใสใจก็ยอมรับได้อย่างพี่ิงคนหนึ่งเนี่ยเป็น เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยไอ้ก่อนเป็นมะเร็งเต้านมนี่ก็เธอก็เป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้านี่มันก็ทําให้แย่พอมาเจอมะเร็งเข้าเนี่ยนะมันเหมือนเคราะ์ซ้ากําซัดในความรู้สึกของหลายคนสำหรับผู้หญิงคนนี้นะเธอชื่อไหมนะมันกลายเป็นของดีไปนะเธอไม่ได้ไม่ได้ทุกข์เพราะมะเร็งเลย เธอกับบอกด้วยมะเร็งเนี่ยมันทำให้เธอได้รู้จักตัวเองแล้วก็รับมือกับโลกได้ดีขึ้นทำให้เธอมีความสุขขึ้นนะเธอไม่โกวมะเร็งเลยบอกเธอบอกว่าเนี่ยถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเธอคงตายนะเพราะว่าโรคซึมเศร้าไปแล้ะเพราะว่าเคยคิดฆ่าตัวตายถึงสามครั้งเนี่ยเพราะอาการซึมเศร้านี่แหละแต่พอเป็นมะเร็งนี่โอ้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลย หมอจิตแพทย์เนี่ยนะยังถึงก็ออกปากเลยว่าเนี่ยตั้งแต่เธอเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยทัศนคติมองโรค ก, ก, การมองชีวิตเธอเปลี่ยนไปโรคซึมเศร้ายังมีอยู่นะมะเร็งก็เพิ่มเติมซ้ำทับเข้ามานะแต่ว่าเธอกลับมีความสุขกว่าเดิมเพราะอะไรนะเพราะว่านะมองเห็นว่าเอ้ยมะเร็งก็มีประโยชน์นะ ถ้ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยฉันคงตายเพราะโลกซึมเศร้าไปแล้วมาเร็งทําให้ฉันรู้จักตัวเองรับมือกับโลกได้ดีขึ้นแล้วพอมุมมองอันนี้เกิดขึ้นนะให้โลกซึมเศร้ากค่อยๆจางหายไปกลายเป็นว่าได้ของดีมาอันนี้มันแปลว่าอะไแปลว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันไม่สําคัญเท่ากับว่าเราเนี่ยมองมันอย่างไรหรือเรารู้สึกกับมันอย่างไร อย่าว่าแต่เสียงเสียงดังหรือว่าคนมาเปิดโทรทัศน์บ่อยๆรบกวนการซ่อมนะเปีย โ, โนของเราแม้เจออะไรที่หนักกว่า น, นั้นนะซึ่งอาจจะมีผลถึงตายหรือทำให้เจ็บป่วยนะเช่นมะเร็งนะถ้ายอมรับมันได้นะใจมันก็สงบลงหรือว่ายอมรับได้เพราะว่าเออเห็นประโยชน์ของมันนะว่า มันก็มีข้อดีเหมือนกันอันนี้ก็เรามองบวกนะฉะนั้นจนได้ว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานก็ดีหรือว่าเราจะเผชิญกับเหตุการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายก็ตามเนี่ยสิ่งสาคัญเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรา ทำอะไรก็แล้วแตนะ่หรือเจออะไรก็แล้วแต่มันไม่ทําให้เราทุกข์ได้หรือไม่สามารถจะเยียดความทุกข์ให้กับใจของเราได้นะถ้าเราวางใจถูกนะหรือว่าวางใจเป็นให้วางใจถูกรอวางใจเป็นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการยอมรับไม่ดิลลนไม่ผักใสไม่โอดครวน หรือว่าการมองเห็นประโยชน์ของมันหรือการมองว่ามันเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองนะมันเกิดจากการฝึกนะเกิดจากการปฏิบัตินะที่ใจของเราหรือเกิดจากการทำบ่อยๆนะซึ่งเรียกว่าทำใจนะทำใจคือทำที่ใจการทำที่ใจก็ก็คือฝึกจิตเอาไว้ไม่ใช่ฝึกให้มีความอดทน หรือขันติแต่การฝึกจิตให้รู้เท่าทันนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็สําคัญเพราะว่าเมื่อเรารู้เท่าทันเห็นว่าใจมันกาลังดิ้นลนผักสแล้วก็เห็นต่อไปว่าอการดิ้นลนผักสายนี่แหละคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ทุกข์ใจมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการที่ปรับใจให้เป็นปกติซะ หรือจะเลือกปล่อยวางก็ได้เพราะว่าไอ้ทีใจมันที่ลนผักใสเนี่ยเพราะมันไปจดจอ่อนะอยู่กับสิ่งนั้นไม่เลิกสักทีเสียงดังรบกวนนะการฟังธรรมของเราหรือรบกวนการอ่านหนังสือของเราเนี่ยมันจะไม่รบกวนเราเท่าไหร่นะถ้าใจเราไม่ไปจดจอ่อกับเสียงนั้น บางทีเสียงมันก็ไม่ได้ดังอะไรบางทีมันเป็นเสียงไพ่รอดเสียงริงโทนหรือเสียงเพลงแต่เป็นเพราะเราไปจดจอ่อเราไม่ชอบเสียงนั้นแต่ทำไมไปจดจอ่อได้พอไปจดจ่อเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการผักใสนะแล้วมันก็เลยบน่นโวยวตีโพยตีพายแล้วเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาตรงนั้นหละที่ทำให้ทุก นะไม่ใช่เพราะเสียงดังมากระทบหูแต่เป็นเพราะใจเนี่ยไปผักใส่นะไปต่อต้านไม่ยอมรับและยิ่งไม่ยอมรับก็ยิ่งจดจอ่อยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งยึดติดนะแปลกนะที่จริงถ้าไม่ชอบก็ยิ่งต้องปล่อยวางนะแต่ทำไมยิ่งไม่ชอบเนะี่ยยิ่งยึดติดยิ่งแบกบยิ่งจดจอ่อ นะโกรธใครเกลียดใครเนี่ยก็จะจดจอนะ่อเอาแต่นึกถึงคนคนนั้นมีกลิ่นเหม็นนะติดมือไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปลาละนะหรือว่ากลิ่นกระปิหรือว่ากลิ่นขี้หมาเนี่ยไม่ชอบนะก็จะพยายามล้างมือล้างนิ้วแต่ล้างเสร็จทำไงเอานิ้วเอามือมาดม แล้วนะว่ายังมีกลิ่นไหมถ้ายังมีกลิ่นอยู่ก็ล้างอีกล้างเสร็จก็เอามาดมอีกยิ่งเหม็นก็ยิ่งดมนะอันนี้เรียกว่ายิ่งไม่ชอบก็ยิ่งยึดติดนะจริงจริงเนี่ยนะมันน่าจะเป็นตรงข้ามนะคือยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งปล่อยนะยิ่งวางไม่แบบแต่ทําไมเราทําตรงข้ามก็เพราะความไม่รู้ตัวนะเพราะไม่รู้ทันนะไม่รู้ทัน อารมณ์ไม่รู้ทันกลางกระทาของตัวจะรู้ทันได้ไงก็ต้องมีสตินะพอมีสติเข้าอาความรู้ทันมันจะไวขึ้นมันเห็นเลยใจไปจดจอ่อเห็นใจมันไปผักสายเห็นใจมันบนโอดครวนนะแค่เห็นเท่านั้นแหละนะใจมันก็จะหยุดอาการที่ว่ามันก็จะหายไปแต่เดี๋ยวมันก็อาจจะเริ่มทาใหม่นะถ้า ความมีพรสติของเราไม่ไหวพอหรือว่าไม่ต่อเนื่องพอมันวางปุ๊บเดี๋ยวก็แบกแล้วมันสงบชั่วคราวแล้วก็โกรธใหม่แล้วก็หงุดหงิดใหม่ น, น, หมนะอันนี้เป็นเพราะสติเราเนี่ยไม่ต่อเนื่องเป็นเพราะเราไม่ได้นะฝึกจิตให้มีสตินะอย่างต่อเนื่องไม่รู้จักนะเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันนะ ให้การทำใจเนี่ยนะก็รวมถึงการที่รู้จักนะเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันกำลังฟังทำอ่ะใจก็อยู่กับการฟังทำเสียงรบกวนนะมันจะดังแค่ไหนนะก็ไม่สนใจเนะเพราะจิตเนี่ยก็ยังจดจ่ออยู่กับอ่เสียงบรรยายได้ไม่วอลกแวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่มแมลงปอเขามีนะอ่า มันจะมีเสียงรบกวนอยมีเสียรบกวนแล้วก็ตามไม่สนใจตราบใ ด, ดที่มันจดจ่ออยู่กับอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่คลาดสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเหยื่อจะหนีไปไหนก็ตามติดติด ต, ด ต, ดตดสติทำหน้าที่อย่างนั้นนะคือกํากับจิตให้อยู่กับอารมณ์นะอารมณ์นะไม่ว่ามันจะเป็นเสียงเป็นภาพมันเคลื่อนไปไหนนะจิตมันก็ตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆ เพราะอะไรเพราะมีสติเป็นตัวกากับเนีย่ยถ้าเร า, าฝึกจิตไว้แบบนี้นะสติเราก็จะไวสติเราก็จะคล่องแคล่วแล้วก็ทำงานได้ดีมันก็ทำให้เวลาเราจะทำอะไรก็มีสมาธิมีสิ่งรบกวนจิตอาจจะเผลอไปกลดด่าไปต่อว่าผักใสแต่สักพักก็รู้ รู้แล้วก็วางนะอันนี้เรียกว่าทำให้ใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือว่าเห็นว่าเออมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเองนะอันนี้ก็เพราะว่าเห็นความจริงนะการฝึกให้เห็นความจิตฝึกใจให้เห็นความจริงนะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นธรรมดาของมันนะมีแล้วก็หมดได้แล้วก็เสีย เจอแล้วก็จากพบแล้วก็พรากอันนี้ธรรมดาเพรานะฉะนั้นเวลาเสียเวลาจากเวลาพลากก็ไม่ได้ทุกข์อะไรยอมรับได้ใจก็สงบนะไม่เอาแต่คร่ำครวญเศร้าโศกเสียใจอันนี้แหละนะคืออ น, นิสงฆ์นะคือความหมายของการทำใจนะไม่ใช่แค่อดทนอย่างเดียวนะหรือว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แต่มันมีการกระทําที่ทําให้ใจนี้เป็นปกติได้เพราะผ่านการฝึกมาเพราะผ่านการทําที่ใจอยู่เนืองเนืองอ่ชาวนี้เพื่เท่านี้นะเอากราบพระ